พระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่เก้าสิบเาซับภายในคืออริยศัพ์อริยศั พ, ศพทั้งหมดมีเท่าไหร่มีเจอย่างนะอริยศัพภายนในคือหนึ่งศรัทธาศรัทธาว่าไงอริยศัพข้อที่หนึ่งศรัทธาข้อ 2. สองศีลข้อสามหิริข้อสโอตัปปะข้อห้าสุตตะข้อหจากขาข้อเจปัญญา อันนี้เป็นอริยทรัพย์ภายในเป็นตัวการสําคัญที่จะทําให้ได้ทรัพย์ภายนอกถ้ามีทรัพย์คือยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้ามีทรัพย์มีปัญญาเท่ากับพระพุทธเจ้านะทรัพย์ภายนอกจะเป็นของนั่นหมดอะเอาแบบสูงสุดเลยนะแต่ทีนี้ค่อยๆไล่มาก่อนว่าทรัพย์คือศรัทธามีศรัทธาก่อนศรัทธาเป็นอย่างไรศรัทธาก็คือความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย หรือความเลื่อมสายในหลักกรรมและผลของกรรมกรรมอยู่ที่ไหนทำไมกรรมมีกี่อย่างก่อนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตัวกรรมได้แก่เจตนาเจตนาที่ล่วงมาทางกายเรียกกายกรรมเจตนาที่ล่วงมาทางวาจเรียกว่าคิดนึกเป็นมโนกรรมนะกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมตัวเจตนาตัวนั้นมีผลนะเรามีศรัทธาเชื่อว่า สิ่งที่เราทําคําที่เราพูดเรื่องที่เราคิดเนี่ยมีผลนะเจตนาตัวนี้มีผลผลของมันเป็นยังไงผลมาให้ตรงๆเรียกว่าวิปากับผลผลเป็นวิบากและกรรมชรูปและอ น, นิสังสผลผลภายนอกเป็นข้าวของเครื่องใช้เป็นต้นอันนี้คือผลของกรรมเรามีศรัทธาตรงนี้ว่าแล้วมีศรัทธาในผู้สอนในเรื่องกรรมคือพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าคือใคร มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือมีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะพระองค์เสด็จไปดีแล้วพระองค์รู้แจ้งโลกพระองค์ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้พระองค์นี้ไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์เป็นศาสดาคือผู้สอนประโยชน์สามแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระพุทธเจ้าผู้จำแนกแจกแจงพระธรรมเรามีศรัทธาในคู่นี้ผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก่อนเลยอันดับแรกอรหันต์เราศรัทธาในความเป็นอรหันต์ของท่านยังไงอรหันต์หนึ่งไกลจากกิเลสท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่โง่ไม่เสื่อมไม่เสื่อมไม่บ้าไม่บ่ายไม่นวกสติปัญญาดีหมดเลยดีที่สุดว่างั้นเถอะถ้าเป็นน้ําก่อนน้าที่ผ่านการตั้นกรองมาจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วะ สะอาดที่สุดนะเป็นน้ําสะอาดไม่มีเชื้อโรคสิ่งสกรปรกอยู่ในเม็ดน้ําแม้แต่เม็ดเดียวเลยจิตใจของพระอารหันต์ท่านสะอาดแบบนั้นแหละนี่เครียกว่าไกลจากกิเลสสองท่านกําจัดข่าสึกคือกิเลสสิ่งที่เป็นเหตุให้ขุนมัวในจิตไทยท่านนี่ยไม่มีอีกแล้วตัดเชื้อหมดเลยตัดเชื้อที่จะให้โกรธตัดเชื้อที่จะให้โลคตัดเชื้อที่จะให้หลงได้หมดเลี่ยงเลยนี่คือความเป็นอรหันต์ข้อที่สองกำจัดข้าศึกคือกิเลสข้อสามพระอารหันต์เนี่ย หักบาปบาปในใจท่านไม่มีเลยอ่ไอบาปที่เป็นเหตุให้รับผลต่อไปในชาติต่อๆไปตัดบุญอีกบุญท่านก็ลอยแล้วบางคนก็บอกโอ้ยบุญก็ไม่เอาแล้วบุญก็ไม่ทากรรมก็ไม่ก่อแล้วเป็นไปได้ไหมโอ้ยแหมอยู่ๆจะเป็นพระอรหันเลยนะคิดเอาอ่ะทีถูกพระอรหันเท่านั้นแหละท่านจึงจะละโลภโทสะโมหะละบุญลอยบาปได้ท่านจึงจะละละได้หมดเหล่านี้ ถ้าอรหันเนี่ยท่านหักซี่กรรมแห่งสังสารวัตคือบุญบาปได้หมดเกลี้ยงเลยสังสารวัตรที่จะเป็นไปเพราะเป็นไปกับบุญเป็นไปกับบาปถามว่าซี่กรรมอันนี้มีอะไรเป็นดุมอวิชชาและภวะตันหาเนี่ยเป็นตัวดุมนะตัวแกนกลางเลยออันเนี้ยสําคัญมากพรานท่านหักซี่กรรมละบุญลอยบาปหรือพบได้หมดเกลี้ยงเลยนี่คือความเป็นผ้าอรหันข้อที่สามของท่านความเป็นผ้าอรหันในที่สี่บอกว่าท่านไม่มี ที่รับในการทําบาปท่านไม่มีแอบทําบาปแม่แต่ที่เดียวเห็นอะไรแล้วคิดชั่วไม่มีแม้แต่อย่างเดียวไม่มีการคิดชั่วแม้แต่นิดเดียวเลยนะคิดด้วยโลภะไม่มีคิดด้วยโทสะโมหะไม่มีสักอย่างอันนี้คือความเป็นพระอรหันต์ของท่านนี่คืออรหรังแล้วข้อต่อไปอีกนะท่านเป็นผู้ควรแก่การบูชาเป็นอย่างยิ่งการบูชาพระพุทธเจ้านั้นมีผลมากมีอยนิสงมากพระพุทธเจ้าทั้งหลายแม้จะ มีพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันปริวยในผานก็ตามถ้าหากว่าชนเหล่าใดมีศรัทธาเท่ากันในการบูชามีผลเท่ากันมีศรัทธาเท่ากันเนี่ยถ้าเราศรัทธาเท่ากันอนาถาบินทิกามั่นใจในพระพุทธเจ้าแบบเดียวกันต้องได้ผลเท่ากันแต่ในขณะเดียวกันต้องรู้นะว่าพระพุทธเจ้าองค์จริงกันในองค์ในความคิดของเราอาจจะคนละองค์ก็ได้ศึกษาให้ดีหน่อยบางทีเราคิดเอาไนะหนอะรหันต้องเป็นอย่างนี้มั้งอันนี้เราคิดเอานะบางทีก็อาจจะไม่ตรงกับ ริถ้าเราจะตรงกับความจริงก็คือการศึกษาพระธรรมคําสอนว่าเอ๊ผ้าอรหันต์ไม่มีโทสะโทสะเป็นยังไงไม่มีโลภะไม่มีโมหะสิ่งเหล่านี้คืออะไรเราจึงจะเข้าใจความเป็นผ้าอรหันต์ดีฉั้นความเป็นผ้าอรหันต์ในยะหนึ่งก็คือไกลจากคนชั่วคนชั่วช่วนี่ไม่มีใกล้กับพระองค์อองหรอกถึงจะจับชายสังฆติเดินตามก็ห่างพระ อ, องค์เหลือเกินใกล้กับคนดีถึงจะห่างเป็นพันโยอดเป็นร้อยโยอดก็ชื่อว่าใกล้พระ อ, องค์ พระองค์นี้ใกล้คนดีพระองค์นี้เป็นผู้ควรแก่การ ừ ừ สรรเสริญเป็นผู้ควรแก่การยกย่องบูชาเรามีศรัทธานในความเป็นอรหันต์ของท่านหนึ่งนะสองเราศรัทธานในความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะท่านรู้สิ่งที่ควรรู้ทั้งหมดท่านรอบรู้ท่านปริญญาในสิ่งที่ควรปริญญาทั้งหมดท่านละสิ่งที่ควรละได้หมดเรื่องท่านเจริญสิ่งที่ควรเจริญ ท่านทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งสิ่งห้าอย่างนี้ท่านไม่ได้รับการสั่งสอนมาเลยท่านอบรมด้วยปัญญาของท่านเองถามว่าใช้เวลาไหมที่จะอบรมที่จะมามาได้อย่างนี้เนี่ยสี่อสงไขยแสนกับนับแต่วันได้รับพุทธพยากรกว่าจะมารู้แจ้งว่าเออธรรมะนี้ควรรู้ยิ่งธรรมะนี้ควรรอบรู้ธรรมะนี้ควรละธรรมะนี้ควรเจริญธรรมะนี้ควรทําให้แจ้ง ท่านสะสมบุญบารมีมานา น, ท, านท่านจึงท่านจึงทําอย่างนั้นได้นี่คือความเป็นสัมมาสัมพุทธะของท่านเราศรัทธาแนวทางอันนี้ของท่านอ่ะศรัทธานในความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าแล้วเรายังศรัทธานในอะไรอีกความที่ท่านมีวิ ช, ชามีจรณะเป็นต้นเนี่ยแล้วเราศรัทธานในคําสอนของท่านท่านสอนอะไรอ่ะผู้ที่มีความสามารถแบบนี้เนี่ยท่านสอนสิ่งใด เรานับถือในคําสอนสิ่งนั้นของท่านอันนี้เชื่อว่าศรัทธาในพระธรรมก็คือผู้ที่เป็นพระอารหันต์ที่ว่าไปแล้วเนี่ยท่านสอนสิ่งใดเรานับถือสิ่งนั้นของคําสอนของท่านว่าสิ่งที่ท่านตรัสรู้ดีเนี่ยตรัสรู้ถูกต้องหมดแล้วแล้วก็ศรัทธาในพระสงฆ์เคือที่ว่าศรัทธานเนี่ยนะบอกเมื่อกี้พระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมทรงแสดงอย่างไรที่พระพุทธเจ้าสแสดง ผู้ที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั่นแหละชื่อว่าพระสงฆ์คือถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้าจะรู้จักพระธรรมด้วยรู้จักพระสงฆ์ด้วยคือผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนเรียกผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนอย่างนี้เชื่อว่าปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติตรงแล้วไม่คดไม่งอไม่มีคตไม่มีงอไม่มีเอียงสักอย่างเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีคําสอนของท่านท่านตรัสไว้ดีพระสงฆ์ปฏิบัติตามนั้นดีจริงๆ ภาษาทีบุตรท่านปฏิบัติตามนั้นดีจริงๆงโหมดคลานะเป็นต้นนะนะที่ท่านรู้แจ้งอริยสัจตามพระพุทธเจ้าตรัสรู้ดีจริงเขาเรียกว่าอนุพุทธะผู้ตรัสรู้ตามพระอรหันต์ทั้งหลายผู้ตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เรามีศรัทธาในความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตระธรรมที่พระพุธ ท, ทพพธเจ้าทรงแ ส, สดงไว้อันนี้คือศรัทธาศรัทธาในกรรมและก็ศรัทธาในพรนะธรรมตรยัย สองมีศีลศีลห้านี้เป็นมหาทานศีลห้านี้เป็นมหาทานการที่บุคคลตั้งใจที่จะงดเว้นจากการฆ่าตั้งใจอย่างดีเลยเนี่ยพวกนี้เป็นอภัยทานนะเป็นมหาทานั้นผู้ที่สา ม, มารถที่จะรักษาศีลห้าได้ดีเจตนาที่ปารบสมาทานศีลห้าเป็นต้นพวกนี้เป็นกุศลประเภทมหาทานอันนี้ก็เป็นซับอย่างหนึ่งใช่ข้อสองซับคือศีล นี่เป็นสมบัติภายในคนที่มีทรัพย์ภายในอย่างนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้รับทรัพย์ภายนอกและทรัพย์อีกข้อต่อไปคือฮิริโอตาปทรัพย์คือฮิริเป็นยังไงละอายต่อบาปอายเหลือกเกินที่ตัวเองจะต้องพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วอุ้ยอายเหลือกเกินที่จะต้องปล่อยให้โธสะมันเกิดเออนี้เรียกว่าคนมีฮิริอายบาปอายต่อความชั่วอันนี้ก็ทรัพย์อย่างหนึ่งนะ ใครที่คิดแบบนี้บ่อยๆนี่คนมีทรัพย์แนละ้วรวยเพราะว่าตั้งกุศลเหล่านี้เพื่อพบใดก็สำเร็จแล้วทรัพย์อีกต่อไปคือโอตัปปะกลัวต่อผลของความชั่วเราพูดมีผลไหมมีเราคิดอะไรมีผลไหมมีสิ่งที่เราทาคาที่เราพูดสิ่งที่เราคิดมีผลกลัวเกินเที่จะททำชั่วอายชั่วกลัวบาปนี่คือทรัพย์ข้อที่ที่สี่แล้ว โอตปะคือทรัพย์ข้อที่สี่ต่อไปทัพย์คือสุตตะข้อห้าทรัพย์คือสุตตะเอาวันนี้ฟังพระธรรมกี่ครั้งนะกะเอาพระธรรมมาตรึกมาพูดมาคิดสนทนาธรรมบ่อยๆอ่านพระธรรมอ่านพระไตรปิฎกอ่านพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบ่อยนั่นคือทรัพย์ทรัพย์คือสุตตะใครมีสุตตะศึกษามากก็มีทรัพย์มากศึกษาน้อยก็อ่ามีน้อยหน่อยเพราะเป็นอริยทรัพย์ หาซั์ภายในอะนะศึกษาพระธรรมเนาะที่ไหนมีพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็สแสวงหาทรัพย์คือการฟังถ้ายิ่งฟังแล้วสามารถที่จะทรงจําไว้ได้แล้วก็สามารถเอาไปใคร่ควรพินิจพิจารณาตามตรึกตามใสใจตามอันธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะควรแต่การเพ่งควรแก่การคิดควรแก่การพิจารณายิ่งจะทําให้เกิดปีติปัสสัทธิเกิดสุขเกิดสมาธิเกิดสติเกิดปัญญาเกิดคุณธรรม ชั้นสูงๆยิ่ง ย, งย่งขึ้นไปอีกการฟังนี่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเหมือนกันสแสวงหาเอาเนอะซับคือสุตตะบอกไม่มีเวลาฟังรคำเลยมีเวลาฟังละครได้ย่างงี้แหมแสดงว่าสัจสนในเรื่องอะไรเป็นรัพย์ไม่ใช่ซัพย์ใช่ไหมมองเห็นว่าการฟังบางอย่างซึ่งไม่เกิดประโยชน์เป็นเป็นทซั์คัดเอากันแล้วกันเนอชาดนาไปหออะไรมาบ้างกันแล้วกันมันจะเฮ้ยไปหออะไรมานักเนี่ย คนมาแล้วหาเป็นประโยชน์ไม่มีสักอันเลยเนี่ยลำบากนะหาทรัพย์ให้ถูกกันแล้วการอะไรเป็นทรัพย์ทีนี้ทรัพย์ข้อต่อไปข้อที่ข้อหก็คือจากะจากะคือยังไงจากะคือการเสียสละสละแบบความชั่วในกายกรรมมจีกรรมได้แล้วแล้วก็สละทั้งข้าวของที่ให้ก็คือเรื่องทามอย่างที่ว่าไปคนที่มีการเสียสละสละไปครั้งหนึ่งก็พอกพูนอริยทรัพย์แต่ไม่ใช่ว่าโอโ้โหกว้างซื้อบุญใหญ่เลย เตรียมทำมาหาเงินให้ได้เยอะๆก่อนตายจะได้เซื้อบุญแลยเอาไปโปะเลยนะเออเงินเยอะได้บุญเยอะหรือเปล่ามันต้องดูว่าศรัทธาเยอะด้วยหรือเปล่าถ้าศรัทธาเยอะบุญก็เยอะศรัทธาน้อยบุญก็ก็ น, น้อยพูดไม่ได้เรียอะไรนะพูดยังไงก็ได้พูดเรียรัยมาพูดอย่างเงี้ยอดแน่วันนี้ถ้าศรัทธามากบุญก็มากคือถ้าศรัทธาสุตะจาคสติปัญญามากนะ คนให้ทานนั้นก็จะมีทานเป็นทานที่มีผลมากแต่ถ้าหากว่าโอ้โหมันจะไปซื้อบุญอะ่ะบุญเนี่ยกับไปเซื้อที่ไหนซื้อกับผ้าเลยเหมือนกับว่าบุญอยู่กับผ้างั้นนไงบุญอยู่กับผ้าแลืออยู่กับยมอยู่กับใจอันนี้ต่อไปเอกทรัพคือทรัพคือปัญญาปัญญารู้อะไรเมื่อกี้บอกว่าทัพคือศรัทธาศรัทธาเชื่อกรรมและผลของกำเลยนะ ทีนี้มีทรัพย์คือปัญญาปัญญาที่สามารถอย่างรู้อริยสัจเออปัญญาที่จะรู้อริยสัจอย่างน้อยได้ชื่อไปก่อนก็ยังดีนนะสุตานะถ้าได้ฟังชื่อคือนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาการได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เป็นต้นเป็นทซั์คือสุตานะแต่ไม่ใช่ทรัพย์คือปัญญาแต่ทรัพย์คือปัญญาสามารถที่จะยังถึง ความเป็นอริยสัตว์ในกายยาวานาคืบกว้างศอกได้ว่าชาติปิทุกขาชีวิตทั้งที่เป็นนามธรรมในรูปธรรมมีความเกิดเป็นทุกข์ชาลาปิทุกขามีความแก่เป็นทุกข์แก่ทุกข์หรือเปล่าเนาะคือแก่มันไม่ได้แก่เฉยๆนี่มันเจ็บด้วยนี่มันตามมาด้วยความเจ็บใช่ไหมตามมาด้วยโรคภัยไข้เจ็บขนาดยังไม่ทันแก่เท่าไหร่ก็ยังเจ็บเลยหลอกอันนั้หลอกตัวเองนะจริงๆมันก็เก่าแล้วล่ะ ขอมานี่ก็อยู่กับคนอายุรุ่นปู่รุ่นย่าอะไรนี่ยนะเอะ้เราก็ว่าเราเนี่ยอายุไม่มากเลยไปเดินกับเด็กๆ เ, เราเนี่ยมันกลับบ้านไอ้นี่พวกนี้นอายุน้อยๆกันแบงนั้นเลยทบทวนอีกในข้อปัญญานะไอเอาเรื่องอรยิยสัจต่ออีกนิดหนึ่งรู้ว่านี้ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เพราะแก่เนี่ยเจ็บตามมาด้วยแล้วก็ความจุติเนี่ยตายนี่ทุกข์แน่นอนนะ เขบอกคนตายไม่ทุกข์หรอกแต่ว่ามันทุกข์ก่อนตายญาติของคนตายก็ทุกข์เราจึงเรียกว่าความตายเป็นทุกข์แล้วก็ทุกข์เพราะการพลัดพรากจากของรักทุกข์จากการประจวบสิ่งไม่เป็นที่รักทุกข์ทางกายทุกข์ทางใจทุกข์เพราะความขับแค้นใจทุกข์เพราะไม่สมหวังทุกข์เพราะผิดหวังความทุกข์เหล่านี้จริงๆอ่ะตัวทุกข์คืออะไร เกิดแกเจ็บตายคืออะไรตัวทุกข์จริงๆก็คือตานั่นแหละเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์ิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจนี่ทุกข์ไหมใจก็เป็นทุกข์สรุปตาหูจมูกเลนกายใจเป็นทุกข์ถ้าไมจึงเป็นทุกข์ตาหูจมูกเลนกายใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นตามเห็นว่าเป็นเราได้ไหม เป็นของเราได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีสติปัญญาตามเห็นแบบนี้ก็จะละคลายความยึดถือในสิ่งเหล่านี้ได้ไอ้ตัวความยึดถือนั้นแหละคือเหตุแห่งทุกข์ตัวความยึดถือตัวความชอบฟันยินดีนะตัวโลภะตัวตัณหาตัวนั้นแหะเหตุแห่งทุกข์ถ้าผู้ที่ดับสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนั่นแหละคือพระอรหันต์เรียกว่าพระนิพพานก็คือดับความยึดถือได้ทั้งหมดข้อปฏิบัติเพื่อความดับการยึดถือคืออะไร ก็คือหนึ่งขึ้นต้นด้วยสัมมาธิฏฐิมีความเข้าใจเรื่องโลกเรื่องชีวิตให้ถูกต้องโลกมีกี่อย่างชีวิตเรารับรู้โลกได้กี่อย่างนะโลกทางตาหนึ่งนะศึกษาเรื่องโลกทางหูศึกษาเรื่องโลกทางจมูกโลกทางลิ้นโลกทางกายแล้วก็โลกทางใจคำวมาโลกนี้เพราะว่าสลายไปคำวมาโลกเนี่ยสลายไปศึกษาเรื่องโลกด้วยศึกษาเรื่องชีวิตด้วยชีวิตเนื่องด้วยปัจจัยแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่าง อันศึกษาเรื่องโลกเรื่องชีวิตให้เข้าใจอย่างละเอียดละออเต็มที่คนเหล่านี้ก็จะมีอริยทรัพย์ภายในอีกข้อหนึ่งคือปัญญาอันชีวิตของคนที่มีอริยทรัพย์ทั้งเจ็ดอย่างนี้เขาไม่ชื่อว่าเป็นคนขัดสนไม่ใช่คนขัดสนในด้านปัจจัยสี่แก้วแหวนเงินทองเพราะว่าผู้ที่มีอริยทรัพยท์ทั้งทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยนะเขาบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าอธิปไตยของพระเจ้าจากักรพรรดิกเพราะว่า พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยถึงจะมีโลกียทรั์ภายนอกมากมายแต่ผู้ที่มีทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่ได้พ้นจากอบายทุกคติวินิบาดนรกแต่ผู้ที่ได้อริยทรัพย์ภายในเข้าจริงๆก็ปิดอบายได้ปิดอบายปิดทุกคติปิ ด, ปดวินิบาตปิดนะรกไม่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้ไม่เกินเจ็ดครั้งก็มีแต่ไปดีอย่างเดียวอ่ะเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีตาม คำสอนเพราะฉะนั้นซับภายในเราทั้งหลายอย่าได้ประมาท ถ, ถ้าคนที่ประมาทซับภายในคนนั้นแหละไม่ต้องพูดถึงซัพภายนอกเขาไม่สามารถรักษาไว้ได้หรอกนะสีงามๆถ้าตาบอดถ้าอย่างก็หมดแล้วเนาะน้ํามที่สุดเลยนะตาบอดหรือผูกตาไห้ดูนี่ก็หมดแล้วจะไม่เสียงก็บอกโอโ้เพราะชั้นหนึ่งเลยหูหนวกเนี่ยเดีเกิดประโยชน์เลยกลิ่นน้ําหอมชั้นดีเลยเป็นบัตรอย่างเงี้ยอดเลย ใช่ไหมโอ้โหวันนี้คนใช้น้าหอมมากดีกันหมดเลยเราหวัดอยู่คนเดียวเงี้ยอดเลยนะไม่นี่มันหอมยังไงก็ไม่รู้หรือไม่โอ้โหอาหารอร่อยมากลิ้นเป็นแผลอย่างเงี้ยนะเป็นแผลสักสามสี่แห่งนี่ก็ไม่อร่อยแล้วเนาะอาหารจะขนาดไหนก็เผ็ดโอ้โหมดีเลยบางอย่างก็เป็นสมบัติทางลิ้นโอ้โหผ้ทาที่ดีมากเลยแต่ดันป่วยอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นอมมาเพลกอมมาพาดนี่ก็อดแล้ว หรือไม่ถ้าหากว่าสิ่งดีๆมากแต่ว่าสติปัญญาอ่อนนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทรัพย์ถ้าไม่มีอริยทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกเหล่านี้เราก็ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้เพราะฉะนั้นทําอย่างไรอริยทรัพย์ภายในเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นคนที่มีอริยทรัพย์ภายในนั่นแหละชีวิตเขาจึงจะมีความสุขพระพุทธเจ้านี้คือผู้สอนอริยทรัพย์ทั้งเ็ประการนี้ ถ้าเรามีทรัพย์เจ็ดประการเนี่ยนะชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญโดยถ่ายเดียวอันแม้แต่เรื่องของทานนั้นก็นับเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะบำเพ็ญได้อย่างถูกต้องรักษาใจได้ถูกต้องใจนั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่ามีทรัพย์อยู่ตั้งเจประการอยู่ในนั้นทรัพย์ภายนอกสาธารณะแก่คนอื่นเเงินเนี่ยไม่รู้มันของใครข้าวของเครื่องใช้เนี่ย บ้านเนี่ยเหมือนของเรานะพักเดียวเอามาใช่แล้วรถเหมือนกันพวกเข้าของในโลกนี่นะไม่รู้ของใครกันแน่แต่ทรัพย์ภายในคือศรัทธานั้นเป็นของภายในแท้ๆเลยถ้าเราไม่สามารถหาทรัพย์ใส่ใจไว้ภายในได้แท้ๆอย่างนี้ถามว่าใครคุยคนทุกคนยากให้ว่าไปเมื่อกี้เนี่ยคนทุกคือใครเราทุกแล้วทีนี้เราไปร้องเรียกหาจากใคร ลรงเรียกได้ไหมโอ้ยพระอินทร์เจ้าข้าเทวดาครับช่วยผมหน่อยสถครับทุกข์เหลือเกินไงพระอินทร์ก็ช่วยไม่ได้บอกพระอินทร์ผมก็มาด้วยกรรมของผมเหมือนกันนั่นแหละถ้าคุณไม่ได้ทํากรรมไว้ผมก็ช่วยคุณไม่ได้หรอกพรหมไปก็มาด้วยกรรมของพรหมนั่นแหละเราก็จะไปด้วยกรรมของเราถ้าเราไม่สามารถที่จะเจริญกุศลได้ดีนะเราก็จะไปตามกรรมจริงๆเลยนะไอ้ ก, กรรมก็คือกรรมไหนอ่ะกุศลไม่ทําำที่เหลือบาบปบริสุทธิ์เล บาปตัวนั้นลายอาเมื่อยิ่งกว่าศัตรูเองตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าหรือผู้ตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่นั้นแปลว่าความจริงอันประเสริฐมีอยู่สอย่างด้วยกัน ผู้ที่ตรัสรู้ความจริงอันประเสริฐสี่อย่างโดยที่ไม่มีผู้แนะนําไม่มีผู้บอกกล่าวเพราะพระองค์ได้สั่งสมพระบารมีธรรมมาอย่างบริบูรณ์แล้วพระองค์จึงตรัสรู้สิ่งเหล่านี้โดยความจริงที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดนั่นแหละคือพระพุทธเจ้าถ้าถ้อยคําที่เราร้องเรียกด้วยศรัทธาเป็นต้นต่อไปจะกระตุน้นทําให้เรามีจิตที่จะศึกษาพระพุทธคุณต่อไป เมื่อเรารู้คาว่าพูดโธตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยมีหลายอย่างด้วยกันเคได้ยินนะตรัสรู้บางอย่างตรัสรู้โดยการรู้ยิ่งตรัสรู้บางอย่างตรัสรู้ด้วยการรอบรู้ตรัสรู้บางอย่างตรัสรู้ด้วยการละตรัสรู้บางอย่างตรัสรู้ด้วยการเจริญตรัสรู้บางอย่างตรัสรู้ด้วยการทำให้แจ้งถ้าเป็นสับแสงหน่อยเขาบอกว่า พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้ว่าโอ้เป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งรู้จริงๆธรรมะเหล่านี้ควรํำหนดรู้ที่เรียกว่าปริญญาควรรู้อย่างยิ่งควรรอบรู้ให้บริบูรณ์ธรรมะเหล่านี้เนี่ยเป็นปหาตับพาธรรมเป็นธรรมะที่ควรละอันนี้ก็คือความตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ตรัสรู้ว่าธรรมะเหล่านี้ควรทาให้แจ้งธรรมะเหล่านี้ควรเจริญ ควรทำให้พ่อคูณควรทําให้บริบูรณ์แล้วก็ค่อยๆขยายความไปเพราะในส่วนตรงนี้สําคัญที่สุดถ้อยคํานั้นไม่ได้เสียหายก็เหมือนกับการนึกถึงคำว่าพ่อนั่นเองแต่ก็ไม่ควรอยู่เท่านั้นไม่ควรเข้าใจอยู่แค่นั้นควรเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าคูณของพระผู้มีพระภาคนั้นหาประมาณไม่ได้การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธานั้นเป็นการตรัสรู้ เป็นดวงตาของโลกอ่ะเป็นเหมือนกับแสงอาทิตย์อ่ะพอดวงอาทิตย์สว่างขึ้นมาพับคนอื่นๆเนี่ยมีตาพอที่จะมองเห็นภาพอะไรได้เลยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์มากมายฉันใดพระพุทธเจ้าทรงอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะพระพระพุทธเจ้าเป็นดวงตาของโลกทําให้โลกมองเห็นบนเห็นบาเพนดีเห็นชั่วเห็นกรรมดํากรรมขาวเห็นอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรมีโทษ อะไรไม่มีโทษการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะเป็นแบบนั้นแล้วพระองค์นั้นเป็นผู้ที่แจกแจงพระธรรมคาสอนเหมือนรัศมีแห่งดวงอาทิตย์ก็จะแผ่แล้วก็สับรพรัตสับข้างลายก็จะเริ่มมองเห็นตามมีดวงตาพอที่จะมองเห็นบนผิวโลกที่มีเหวก็มีใช่ไหมที่เป็นเขาสูงก็มีมีต้นไม้มีใบหญ้าเป็นต้นเนี่ย อาศัยแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ช่วยสาสสองให้เรามองเห็นพระพุทธเจ้าก็เป็นลักษณะนั้นถ้าทำคําสอนของพระองค์ก็เหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ขออนุญาตถ้าทำคําสอนของพระองค์ก็เหมือนกับแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์พระอริยสาวกทั้งหลายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ตามนั้นน่ะท่านก็อาศัยรัศมีแห่งดวงอาทิตย์คือพระธรรมคาสอนทําให้ท่านมองเห็นอริยสัจด้วย การมองเห็นอริยสัจของสาวกทั้งหลายทั่วไปเรียกว่าอนุพุทธผู้ตรัสรู้ตามหรือสาวกกับพุทธเพราะท่านฟังแล้วท่านจึงได้บรรลุอริยสัจ ต, ตามเอาข้อหนึ่งกับข้อสามาอธิบายกันส่วนข้อสองคือพระปัจเจกพุทธวันนี้ขอกล่าวถึงพระปัจเจกพุทธก่อนเพราะสัมมาสัมพุทธเราจะได้ยกยอดไปตั้งแต่อาทิตย์หน้าต่อไปอีกแต่ว่าวันนี้ขอกล่าวถึงปัจเจกะ พุทธะผู้ที่ปัจเจกะนี่ก็คือปัจเจกะนะเฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวรู้ด้วยตัวเองคนเดียวไม่สามารถที่จะแนะนําสั่งสอนคนอื่นได้ท่านตรัสรู้อริยสัจพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นท่านตรัสรู้อริยสัจแบบคนใฝ่ฝันอโอ้หล่อหลับฝันพลันเลยนะฝันว่าไปเที่ยวชมอะไรที่มันงามที่สุดเลยอยากเล่าให้คนอื่นฟังมันน่ะแต่ว่ามันเล่าไม่ถูก เล่าไม่ได้ใบอะหรือว่าคนชนบทชายแดนที่ไหนไม่รู้กระเรียงมูเซอร์หรือพวกแมวอะไรทักแห่งหนึ่งลงมาทานอาหารที่อร่อยที่สุดในพระตาารักานที่ดีชั้นหนึ่งเลยนะกลับไปเล่าให้ญาติญาติสังที่บ้านได้ไหมไ ป, ไปทานอะไรมาเล่าไม่ถูกอะว่าไปรับประทานอะไรมาแล้วเขาปรุงยังไงไม่รู้รู้แต่ว่ามันอร่อยมันดีจริงจริงพระประเจกับพุทธเจ้าก็เป็นลักษณะนะ ท่านจึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนอแรไม่คลุกคลีแต่ว่าไม่ได้เป็นไปด้วยอำนาจโลภะโทสะโมหะท่านไปด้วยจิตใจที่ปราศจากบาปอาคุสลธรรมทุกชนิดเป็นผู้ที่มีใจปราศจากู้รีคือกิเลสทำให้จิตท่านเศร้าหมองท่านไปเนี่ยถ้าไปเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปก็คือไปเพื่อรับอาหารมินธบ้านท่านสอนไม่ได้ก็จริงแต่ท่านเป็นนาบุญของลูก คนใส่บาทกับท่านครั้งเดียว เ, น, เ น, นี่นยท <c oughs> เท่เากับว่าเอาตำแหน่งมหาเศรษฐีไปให้ในชาตินั้นเลยใส่บาทของท่านครั้งเดียวเนี่ยนะท่าพระเจกเนี่ยเท่ากับว่าเอาตำแหน่งมหาเศรษฐีไปให้เลยคนกระจอกงอกง่ายเนี่ไยไถนาะอยู่ธรรมดาเนี่ยนะพอใส่บาท <c oughs> <c oughs> ท่านไม่เกินเจ็ดวันต้องเป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่ในเมืองนั้นเลยหรือว่าคนทั่วทั่วไปเนี่ยถ้าทําบุญกับท่านปรารถนาสําเร็จอีกบางท่านเนี่ยใส่บาทกับพระประเจกอย่างเคยได้ยินนะประวัติของ พระปูติขะตะเป็นในพรานอะ่ะในพรานนกบางท่านก็เป็นในพรานเนื้อขนานอาชีพเป็นในพรานเห็นพระประเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเอาอาหารไปใส่บาตรตั้งความปรารถนาว่าพระคุณเจ้าตรัสรู้ทําใดขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนแห่งการตรัสรู้ธรรมานั้นด้วยเถอะทั้งๆ ท, ที่เขาก็ยังไม่ได้ละจากอาชีพที่บาปอะไรเลยเนี่ยเขาก็ยังประกอบมิจฉาอาชีพอยู่นั่นแหละ คืออาชีพจนชาวประมงบ้างฆ่าสัตว์บ้างแต่ก็ทําบุญบางคนเนี่ยเป็นโจรด้วยนะเป็นโจรไปปล้นมาแต่ก็ยังเอาอาหารไปทําบุญอ่ะแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์พระประเจกับพะพุทธเจ้านั้นความที่ท่านเป็นนาบุญอย่างพิเศษไม่ใช่นาบุญธรรมดาคนไปทําบุญกับท่านสมความปรารถนาอย่างปูติคัตะเทระเนี่อดีตชาติท่านเป็นนายพรานนกอ่ะไปฆ่านกเยอะฆ่านกแล้วก็หักปีกบ้างหักขาบ้างทิ้งเอาไว้ แล้วก็นกที่เหลือส่วนหนึ่งก็ขายส่วนหนึ่งก็เอาไปให้เจ้านายส่วนหนึ่งก็เลี้ยงกินเองบริโภคเองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวทําบุญกับพระประเจกแล้วตั้งความปรารถนาอันนั้นชาติสุดท้ายท่านได้เป็นพระอรหันต์แต่เป็นพระอรหันต์ที่ทรมานเหลือเกินเพราะอะไรเพราะร่างกายนี้เปื่อยเนา่าทั้งตัวเขาเรียกปูติคัาตาก็คือมีกายเปื่อยเนา่าสาเหตุมาจากหักปีกนกหรือหักเท้านกนั่นเองไม่ให้นกมันบินได้เรื่องของกรรมก็ยุติธรรมแล้ว ท่านทําบุญกับพระประเจ ต, ตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์ท่านก็ได้พ้นทุกข์จริงๆแต่บา ป, ปรกรรมในส่วนก็เรื่องของบา ป, ปรกรรมไปแต่บุญที่ดีจริงๆก็จะมาล้วงให้พ้นจากทุกข์ได้ถึงอยู่ในสลัมนะถ้าคนมีบุญเก่าเดี๋ยวก็จะมีคนเอามาชุบเลี้ยงองนุนอได้แล้วแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าเนี่ยลาบากพระประเจกกับพุทธเจ้าเนี่ยท่านเป็นเหมือนกับสะพานเชื่อมบุญในช่วงที่ว่างจากพระศาสนาท่านก็จะพอใครพอที่จะมีบุญไปให้ทําบุญใายบาศ ใส่กับท่านทีหนึ่งโอ้ได้บุญมากมายมหาศาลเขาเรียกว่าพระมาปโปรดอ่ะคล้ายๆแบบนั้นแหละพระนั้นดีจริงๆท่านเป็นพระปัเจกเป็นพระอรหันต์พระประเจกเหล่านี้เนี่ยบําเพ็ญบารมีอย่างน้อยที่สุดสองอสงไขยเศษแสนกับพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ามีอยู่สามประเภทด้วยกันพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งเรียกว่าสัญญาธิกะสัทธาธิกะวิริยาธิกะสามอยา่าง ปัญญาที่กะบำเพ็ญบารมีสีอสงขขยเศษอีกแสนกัปอย่างพระพุทธเจ้าของเราพระสมณะโคโดมนั้นพระองค์เป็นปัญญาที่กะบำเพ็ญบารมีสี่อสงขขยเศษอีกแสนกัปนับแต่วันรับพุทธภยากรส่วนถ้าศรัทธาธิกะบำเพ็ญบารมีแปดอสงไขยเศษอีกแสนกัป